อรหโตสมมาสมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสส ก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาธิทุกทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้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 ท่านแล้ยว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทโทธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจา้า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 ตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าจนจำได้หมดแปด0มื่นสี่พันธรรมะขันและเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผล เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติคำว่าธรรมปฏิบัติเมื่อท่านจะู้นั้นไปหาสามมันเนนน้อยแต่เป็นพระอรหันต ท่านแสดงในมิตรหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮียมีตะกูดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมมโลเข้าออกอยู่หกโลแล้วให้ปิดห้าโล ปิดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปจอ ก, ก็จะได้เหี้ยได้ตะกวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลนที่สุด จิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมัดผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม้เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กนมแก่ขเรือหัดบันผชิดคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเราเน่า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 หลงไหลในโพธิภพเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอาญตนาทั้งหลายไม่ปิดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ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 ให้ขุดลงไปที่ใจคือภาวานาบทใดบทหนึ่งหรือภาวานาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงเมตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมมจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกกิน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 เพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำอ่อยปลาละเลย <c oughs> ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมัน่น <c oughs> ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล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 หลงไหลในโพธภิภพหลงไหลในธรรมลมเมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนประพุทิเจ้าพุทธธรรมคำสอนของประพุธิเจ้านั้น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 แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไกลอยู่แต่ไม่รู้พระไกยปีดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวิไนสัตตุศาสนาคาสอนของสพุตติ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจยิเลดมันก็พ่าไป กิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพานวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกพพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้ หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโภตาพระธรรมลารมเมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาผินิพพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขา ข้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดพิจารณนาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวรูปทั้งหลายแหลส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะ มันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไม่ว่าในรูปที่ว่าดีนั้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคน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 ถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุโพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหดดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกประขันอันนี้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 ว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวานาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยาได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจิตใจเราผู้ภาวานาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดวะต้องทําไม่ใช่เพียงแต่ว่าจําจดจําได้ก็ว่าได้เท่านั้น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 มองให้เห็นพยาติความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดการเนกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่า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 นั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีสัตตราอาวุธประหัตประหารกัน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 เรียกว่าทมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จาจำคําสั่งคําสอนคําบอกคําเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามะละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภ ก, ก็ไม่ออกจากใจจากตายเอามะละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือก อันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมะปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลย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 แต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือปิดบังไว้ปิดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิษพิจารณาให้มันแจ้งใจเจตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปแต่นั้นท่านจะให้นึกโยเสมอ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 ก็พอร่างกายสังขารรู ป, ปรขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงันงำอยู่ตลอดการเราอยากเข้าใจว่ามันจะแก้ได้และอยากไปเข้าใจว่ามันหายกินยุกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไม่สบายดี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 แก้ลำคานไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือท้าวพยามหากษัตรก็ตายพระภิกษุสงสามมนเนรผ้าขาวนางชีลือศีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลย1้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือ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 พูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสลาคะตันหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิธาตันหาเจ็ดไม่รู้เจ็ดไม่รู้เจ็ดหลงเจ็ดหลงเจ็ดเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคอนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้น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 แต่จิตใจที่ดุด่าว่าไลายป้ายสีให้แกบุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ดา่าได้ฆ่าสตัตว์ชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธ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 การฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจําให้ทําให้ภาวนาในจิตในใจของตนใหมันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่ เ, เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาฐานมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะั้นไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหน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 เอวังก็มีด้วยประกาชะะนีสัพหิตโยวิวัันตุสัพพโลโกวินัศตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขิเทคายยโกวภวะอคีวาธนาศิริสนิจยังวุภาปัยายิโน ยะตาโรธมรมวะทันติอายุวโนโสกงสาบลาง